ทำสมาธิกันฝึกฝึกเพื่อให้มีนิสัยเพ <c oughs> ื่อต่อไปข้างหน้าพิกูที่ราติขาไปสังออกพรรษ า, าก็จะได้มีนิสัยที่เคยทําจะเป็นพิสูจน์สำเนินแม่ชีญาตโยมฝึกแค้เป็นนิสัย นิสัยดีๆฝึกให้มั่นคงแต่นิสัยที่เราไม่ต้องฝึกเออไม่ต้องฝึกเลยนี่เขาเรียกเขาเรียกนิสัยโลกคือฟัมที่เกียดขี้ค้านหรืออีกอย่างเขาเรียกว่ากายกรรมวิจีกรรมมนุกกรรม ที่เราไม่ต้องฝึกเลยแต่มันเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติที่เเรียกว่านิสัยที่ต่อเนื่องเรื่องของโลกิยะมันเป็นเรื่องอยากที่คนเราจะฝึกให้ทนจากวิสัยออของโลกนะ โรคมันก็แปลว่าความใพ่ความพอใจคือเราต่อเนื่องกับเรื่องของความไพ่ความพอใจกันมาเช่นายเป็นนิสัยเคยชินนิสัยที่เคยเกิดมายังไงก็จะใช้ไปตามนิสัยที่เกิดจากนั้นซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าอารมณ์ เพราะนั้นเราจะมาเปิดวิสัยให้เลิกความค่ายความพอใจจากสิ่งที่เราไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะต้องอาศัยอะไรเข้าไปขยับขยายเพื่อให้เรามีความเบื่อหน่ายหรือความนิ่งเฉยต่อความค่ความพอใจเนี่ยก็คือปัญญา คนไหนมีปัญญาเนี่ยคนนั้นก็สามารถที่จะเลิกความยินดีความพอใจกับสิ่งที่ตนมีได้ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะมีความพอใจความยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องของกายของเราแล้วก็เรื่องของอารมณ์ของเราเนะไม่ใช่ว่าไปทางอื่นเรามาจากเรื่องมีกาย มีอารมณ์และเราก็จะมาผลักไสเรื่องกายเรื่องอารมณ์ออกไปมันเป็นเรื่องยากเ่ยงต้องอาศัยวิจารยานหรือการค่ครนพิจารณาให้รอบคอบให้เกิดเป็นลนักษณะความเห็นที่ไม่เที่ยงความเห็นที่เป็นทุกข์และกับความเห็นที่เป็นอานับตาคือไม่มีตัวตน จริงๆเราก็มามายึดถือกับเรื่องไม่มีตัวตนอยู่แท้ๆนะพูดตามหลักเรียกว่าอปรมัตารรมทมชั้นสูงนะปรมัตาทมของพระอริยเจ้าซึ่งท่านมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่มีตัวตนถ้าสิ่งนั้นมีตัวตนพระอริยเจ้าคงไม่ไปคงไม่หนีแต่ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยู่เนี่ยมันสิ่งที่ไม่มีตัวตน แม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยเราก็เห็นกันชัดๆอาจจะเห็นแบบข้างนอกที่ที่เขาไปกันที่เขาละลายกันเรียกว่าความตายซึงอย่างก็อยางเราก็ยังไม่ตายยังไม่ละลายก็เลยมีความพอใจัยอยู่แต่สิ่งที่เราพบเห็นเป็นอาจินของสายตาและความสุขเศ้าเสียใจในสิ่งที่ท่ำชวนว่าเรากําลังท่ำชวนและเสียใจกับสิ่งที่เป็นอนัตตา คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เจ้าท่านใช้อะไรท่านจึงไปจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้ท่านก็ใช้อย่างที่บอกเนี่ยคือปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาสิ่งที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นภาพดวงตาอยู่ชั่วขนาซึ่งเรียกว่าจิตอาศัยอยู่ เชื่อขนาดในที่นี้ก็หมายว่าจิตเราอาศัยอยู่แต่ทำไมพระพิจาราท่านจะมีปัญญาลงตัวว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตาเพราะอาศัยในการเรียบเรียนเรื่องราวของสังขารซึ่งท่านแยกสังขารออกมาเป็นลักษณะหมวดหมู่เช่นหมวดดิน หมวดน้ำหมวดลมหมวดไฟหมวดอากาศธาตุหมวดวิญญาณธาตุเรียกว่า6 ป, ประเภทเนี่ยเอามาพิจารณาแล้วแยกออกจากกาันเื่อแยกออกจากกันแล้วมันก็ไม่มีชีวิตมันเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่เท่า น, นั้นเองเพราะอาศัยที่เราเข้าไปรวมตัวกันขึ้นอาศัยที่จิตเราเป็นสันตติคือการสืบต่อ ในลักษณะอย่างนี้ถึงเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสังขาร <c oughs> ก็เคลื่อนไหวไปมาได้ตามปกติเหมือนอย่างที่เราเคลื่อนไหวกันแต่จริงๆแล้วปัญญาตรงนั้นน่ย <c oughs> ที่เรียกว่าท่านแยกแยะธาตุออกธาก็คือธาตุาัตตว่าธาตุเพราะธาตุเหล่านั้นเป็นธาตุนิ่ง เหมือนจะดินเนี่ยถ้าไม่ผสมกับอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นดินอยู่อย่างนั้นรือน้ำถ้ามันอยู่กับมันมันเป็นน้ำมันก็เป็นอย่างนั้นแหะมันนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีปฏิกิริยาน้ำก็คือน้ำลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันวิญญาณเราเรียกอว่ารประสาทประสาทเห็นการรับรู้ พูดโอท่าเรียกว่าวิญญาณหรือตามหลักเราก็เรียกว่าประสาทแห่งการรับรู้เช่นตารเราเห็นรูปได้เพราะประสาทยังใช้การได้หูเราได้ยินเสียงเพราะประสาทหูเราดี่จึงสามารถได้รับเสียงได้คือเราอยู่กันด้วยธรรมชาติแล้วก็อยู่กัด้วยด้วยวิญญาณแห่งการสันติหรือประสาทที่สัมผัสกันอยู่ทนั้นเอง แต่นี้ถ้าท่าต่างๆา่ทาทั้งสี่แตกกระจายออกไ ป, ปราษาก็แตกไปด้วยก็คือไม่รับรู้เมื่อระษาไม่นับรู้แล้วอาการท่าคืออัตสาปภาษาตะคือลมหายใจเพิ่ออกก็ไม่รับรู้แล้วไม่มีการนำเข้านำออกในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออก เพราะเหตุที่ท่าดังเดินเดินทางอยู่จึงมีอากาศธาตุที่เพิ่งอาศัยแล้วก็ประสาทแห่งการเรียบเรียนของอายตนะหรือวิญญาณยังใช้การอยู่จึงสามารถจำแนกได้นั่นคือรูปนี่คือเสียงนั่นคือกลิ่นนั่นคือรสนั่นคือสัมผัสนั่นคือธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือความพอใจไม่พอใจพระอริเจ้าอาศัยการพิจารณาโดยรอบข้อและกันต์ออกมาเป็นจุดยืนของ ท, าท่าเหล่านั้น ท่านจึงเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงท่านจึงกล่าวไว้ตรงนี้ว่าสิ่งใดประกอบขึ้นมาสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่ประกอบสิ่งนั้นเที่ยงอย่างเช่นน้ำเที่ยงดินเทียเท่ยงดินอ่าลมเที่ยงไฟเที่ยงอากาศเที่ยงแต่ถ้าเอาว เ, เอาท่าทั้งหกมาะสมกันแล้วไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขั้วขณะแห่งการะสมเหมือนเราเห็นกันง่ายๆว่า ขณะที่ลมพัดแรงๆมันก็จะพุ้มอุดินขึ้นไปด้วยแต่ถ้าลมไม่พัดหรือลมมาเฉยๆดินก็จะมีน้ำหนักคืออยู่ตรงนั้นไม่ไปผสมกับลมต่นี้เมื่อดินกับลมผสมกันเขาไม่เทียนเดี๋ยววันหนึ่งล้ลงาลมก็หายดินก็ตกแล้วจะถามว่าลมมาจากไหนดินมาจากไหนมันก็มาจากที่ของมัน คือลมก็ไปส่วนลมดินก็ไปส่ดินเหมือนชีวิตของเราสัางขารของเราเติตโตซึ่งพระริจเจ้าท่านไต่กรองพิจารณาอย่างนี้ยท่านจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับใช้พอใจเลยกับสิ่งที่ไม่เทียบคือมันไม่คงทนไม่ถาวรไม่ยืนอยู่นั่นเองมันจึงเกิดเป็นลักษณะไม่น่าจะยึดถือท่านจึงปล่อยวางลักษณะสังขารได้ นี่คือการบรรยายและชี้แจงในลักษณะถึงพระอาจารย์ทีว่าทำไมท่านไปได้ในลักษณะรู้ในสิ่งที่ไม่เทียงแต่ทําไมเราอยู่ตรงนี้เราก็าใช้ใจความเพื่อปลดใจความในลักษณะเช่นเดียวกับท่านแต่ทําไมเราไปไม่ได้เพราะว่าภาพทางตาหรือว่าจิตของเรายัา ง, ยางยึดเหดี่ยวอยู่กับคำว่ า, ว า, วาตัวตนจริง ทั้งทั้งที่ว่าสิ่งนี้ไม่มีตัวตนแต่เราคิดแบบมันเป็นตัวตนมันก็เลยมาปมเจอในทางจิตของเราอ่ะพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจได้สัมผัสพอใจในนักหณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางจิตแล้วมันก็สลับฉากในลักษณะพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจอยู่อย่างนี้อะไรเป็นตัวสลับฉากพอพอใจไม่พอใจ ก็คือสังคตะในที่นี้หมายถึงอารมณ์ น, นั่นเองสังคตะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเป็นอารมณ์ซึ่งพระพุองค์ท่เนียกว่าสังขารภายในหรือว่าอารมณ์ภายในทาให้เกิดเป็นการเกาะเกี่ยวกับเรื่องของอของสังขารภายนอกหรือธาตุภายนอกขึ้น ถ้าเราแยกสังขารนอกสังขารในไม่ถูกไม่เข้าใจและยยังไม่ถูกในลักษณะยูริสม์มนาษิ์การคือความรอบครอบนั่นเองมันจึงไม่สามารถที่จะตัดตรงนิ้ไปด้พระอิจ่าท่านจะมุดเฉดมุดเฉดมาว่าท่านตัดเด็ดขาดคือท่านตัดออกจากคำว่าสังคตัดนอกแล้วก็สังขารสังขารนอกแล้วสังสังขตัดตรงไหนก็คือกลัวจึงกลายเป็นตมุดเฉดขึ้น คือถ้าไม่ยึดเมื่อม่ยึดมันก็ไม่สันติเหมือนก็เหมือนกับเราทําสมาธิไงถ้าถ้าจิดเราไม่ยึดรูปมันจะมีรูปไว้ในจิตเราเพราะมันมีรูปอ่ะคือเราสันติมันจะมีขึ้นคือการฝึกต่อถ้ามันไม่สันติมันก็ไม่มีรูปเสียงก็เหมือนการปริ่มก็เหมือนการลดส็มือนการสัมผัสก็เหมือนการมันเป็นเช่นเดียวกัน อ๋ออยู่ตรงนี้เองอยู่ที่เรียกว่าเราเยึดกับไม่ยึดถ้ายึดมันติดถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ติดนะเป็นลกักษณะแบบนั้นแสดงบอกว่าเรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมันไม่ได้ทำแบบฉับพลันคือรู้และก็ไปได้มันไม่ใช่รู้มันเป็นลนักษณะทฤษฎีคอยจำความ แต่ว่าในการกจะไปต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่รู้ข้อเท็จจริงในสิ่งนั้นแล้วก็ปัญญาที่เราจะให้รู้ข้อเท็จจริงต้องอาศัยเวลาดูเราดูอย่างพระพุทธองค์ของเรานะีอาศัยปัญญาพิจารณานะที่จะตัดพวกนี้ได้อาศัยอาศัยสิ่งกระต่ายเหล่านี้เรียกว่าสิบชาติสุดท้ายซึ่งไม่นับอต่อแอสีอโศไขย เอากันเรียกว่าสิติชาสุดท้ายเนี่ยจึงสา ม, มารถตัดได้ในชาติสุดท้ายก็คือชาในชาติขององค์พระสิทธิธสัมมาของผุ้ศรัาชาติพระเวทันดรอยังตัดไม่ได้มาตัดอาชาติสุดท้าย เพราะฉะนั้นเรานี่อย่าที่ที่บรรยายหรือที่แจ่ให้ฟังทั้งทั้งทั้งส่วนส่วนเราแล้วก็ส่วนสูก็คือพระอิร์เจ้าเนี่ยที่ที่เทียบเทียบให้ฟังเราจะได้เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นความเข้าใจขึ้นเราไม่ได้ทำเพราะปัญหาในความเฉยเมย์ยานอยากเป็นอยากไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พนั่งทุก็อยากให้เป็นพระทหารขับวัวทุบก็อยากตะปัดพิเลนอะไรปแบบนี้เด็ดขาน อันนั้นมันไม่ใช่ทามมันไม่มั น, ม น, ม น, มนไม่ใช่ท่าที่พระนิจเจ้าใช้แต่พระนิจเจ้าท่านจะใช้ในะลักษณะโยโดิโสมานสติการคือค่อยๆลูบค่อยๆขำค่อยๆพิจารณาขึ้นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่าไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไป ค, ค, ค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆแอาศัยคริยาทั้งห้าคือยือนเดินนั่งแล้วก็สายญาตเป็นเรื่องที่นํามาซึ่งความรับขอบ หมือนอย่างที่เรานั่งไปดูเนี่เรียกว่าท่านั่งแห่งความรอดขอบเรามีเวลามีเวลาที่จะใช้ตรงนี้ในการที่จะพิจารณาถึงเรื่องถึงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือในสังขารสังขารเราก็ดีอารมณ์ก็ดีเราใสยเวลาตรงเนี้ยคือไม่เห็นเลยว่าตรงไหนนี่จะเป็นเวลาที่ปกติได้ถ้าเรานั่งเล่นนั่งอะไรไปถ้าว่านั่งผ่าธรรมดา ดูโน่นดูนี่คุยนั่นคุยนี่มันก็ไม่ใช่ท่าสืกกลองอี ก, กหรอกนะหรือว่าเราจะเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ดูโนดดูนี่คุยอย่างนั้นคุยก็ไม่ได้ท่าสืกกลองอีกเพราะฉะนั้นถ้ายืนท่าเดินท่านั่งท่าสาย่าที่พระเจ้านะ่ะครูทําไว้เป็นท่าแห่งการสึกกรองก็กรองเพื่ออะไรเนี่ยก็สึกกรองเพื่อจะให้จิตมันรู้ รู้เท่าทันสังขารที่อาศัยรู้เท่าทันอารมณ์ที่เราอาศัยที่คือจุดหมายไม่ใช่นั่งเพื่อให้มันรู้เองไม่ใช่ยืนให้มันรู้เองถ้าเรามันนั่งให้รู้เองยืนให้รู้เองมันเป็นไปใน่ไดมันไม่ใช่ทางพระพุทธองคางพระพุง ท, ท, ท, ทงค์ท่านท่านท่านกล่าวท่านคิดท่านพิจารณาท่านถืออยู่ขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่ารองเพื่อให้จิตเรารู้ว่าเรากำลังเป็นอะไรทำอะไรกำลังจะคลี่คลายอะไรออกไปหรือเราจะนาอะไรเข้ามาเพื่อให้เกิดเกิดเป็นลักษณะจิตรู้ตอนนี้ถ้าจิตันรู้แล้วนี่เรื่องกายก็คุมได้เรื่องวาจาคุมได้ถ้าจิตไม่รู้เนี่ยคุมกายไม่ได้หรอกคุมวาจากไม่ได้ เมื่อเราคุมไม่ได้นี่ยมันก็เสียเสียท่าเสียท่าไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาก็คืออารมณ์กรรและสุกัดกรรมเหมือนอย่างพระชีพระชีย่าโยมเราเนี่ยเวลาฟังธรรมก็ฟังกันไปเรื่อยๆแต่เวลามีอะไรที่มันไม่คู่ไม่ควรไม่ไม่ควรจะกระทําไม่ควรจะพูดไม่ควรจะคิดก็เกิดขึ้น เขถามว่าพิษุอกนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ไม่ชีคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นโยมคนนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตเขาไม่รู้ตัดสินได้ทันทีโดยจิตไม่รู้จึงเป็นสัตรูแห่งการกดความกระสุดขั้วนะทำไมพระเจ้าท่านรู้พระท่านมีสันติในการสืบต่อแห่งความรู้ตลอดระหว่างจิตกับความกระสุดขั้วการกระสุดขั้วเรามีสามข้อก็คือหนึ่งวาจาสองกาย ส, สามความลึกคิด จึงเรเียกว่าทิฏฐิสามข้อนั้นสันตติอยู่กับจิตพะระดิเจ้าจึงรู้เท่าฐานตรงนี้โล ก, กุตระท่านกล่าวว่ายะลุมวัสถังผู้ประทังจิตทุกลมหายใจเขาออกจึงจะรู้เท่าทานชีวิตคืออารมณ์วัตถุกรรถ้ายังไม่มีปัญญาถึงยะลุมวสัตถางก็อาศัยอะไรไปก่อนคืออาศัยสติความสันติความอดทน ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีความอดทนไ ม, มไม่ไม่มีความอดทนมันก็ไปตามลักษณะของของนิสัยที่เกิดขึ้นเรียกว่าอารมณ์ที่ปล่อยวาทางกายวาจาแ ล, แล้วก็แล้วก็ทิฏฐิสมาธิของเรานะมันเป็นลักษณะเช่นกันวันนี้อาจจะพูดเรื่องราวที่มันดับดักหน่อยอะไรเงี้นะหรือสงสงหน่อย เรื่องราวอะไรที่แอยู่กับกิเดแล้วก็ไปจากกิเดจะต้องไปยังไงหรือว่าอยู่จากอารมณ์จะไปจากอารมณ์จะทํำยังไงอย่างเงี้ยก็ก็ก็พูดพูดหนักไปหน่อยวันนี้นะทําไมจะต้องพูดอย่างนี้เพราะเราอยู่ในขั้นของทำหลุดค้นอนะ่ะใครจะหลุดก็ไม่หลุดก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าตรงนี้เราเรียกว่าทำหลุดค้นทำหลุดค้นนี่ก็ต้องจับตนพ้นตนหาเหตุหาผลในตนที่เป็นธรรม ถ้าเราไม่หาเหตุหาผลในต้นที่เป็นธรรมแล้วมันก็หลุดพ้นไม่ได้ให้นางไปก็ท้างตูปไปที่เท่าให้บวชจน่าะเหลืองขาดขาดไปนะหรือตายไปมันก็ใช้กาดไม่ได้ <c oughs> มันก็คงคงเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกิริยาอยู่แบบนั้นเทราะอะไรเพราะว่ า, าการจับตนพ้นตนหรือการหาเหตุหาผลในเรื่องของตัวกระทำและอารมณ์ไม่มี วันหนึ่งไม่เคยคิดเรื่องอารมณ์เลยไม่เคยคิดเรื่องคามประทุษของกรรมเลยเมื่อเราไม่คิดในเรื่องของความประทุษไม่คิดในเรื่องของอารมณ์มันจะไม่ีอะไรเกิดขึ้นมันก็คือสามัญชนคนธรรมดามาได้แปลกไปกว่า อ, อ, อุบาสกอุบาสิกาทั้งนี้เมันกัเราเห็นพฤติกรรมของพระในแ ม, ม่ชี่าเงี้ยเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับยอยู่ทุกวันจะมีผ้าเหลืองพุ่มอยู่จะนี้ขาวพุ่งอยู่ก็จริงแต่ถ้เหมือนพฤติกรรมเหมือนโยม ที่ยังมีความเข้าใจอยู่ในอนโรม์ไตรงธรรมอย่างเนี้ยจะได้ประโยชน์ให้บวชอยู่ในขั้นหลุดค้นคือในในธรรมหลุดพ้นก็ทั้งกายแต่ที่เราอยู่ในทาํทาทําลุดพ้นก็จริงแต่ความพูดของเรามันไม่หลุดคนมันจับตนทําว่ากายกับอารมณ์ไม่ได้ทั้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราไม่ใช่บวชเอาวันเวลานไปสวรรค์นิพพานหรือว่า หมดกิเลสหมดอารมกรรมันแต่เราบทมาเพื่อจะให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่รู้จักก็ให้รู้จักขึ้นสิ่งที่รู้จักแล้วก็จะได้แน่นปแปลละคาถาวนตรงนี้ก็คือเราอยากให้จิตทุกดวงหรือว่าจิตทุกทุ ก, ท, กทุกองแม้รกระทับุญบาตรปฏิกาอยากให้เป็นจิตที่รู้ ไม่อยากให้เป็นจิตที่ที่ที่มืดตนเพราะเราก็เขาเรียกว่าการบรรยายเรยกว่าการให้ในลักษณะข้อกอดใจคามของธรรมเราก็ให้กันมาตลอด <c oughs> <c oughs> เรียกว่าฟังกันมาตลอดท้งภาคตดแล้วก็ภาคภาคเทปอะไรเนี่ยบางครั้งก็ตอดอย่าง ท, ที่ที่ผู้บรรยายลงมาอย่างเนี้ย ในบางทีก็ฟังทางเทรือบางทีก็มเีเพื่อนการทำเนี่ยช่วยมาชี้แจงแนะนําำฟังกันเรื่อยแจกจดหมายไปทางแล้วอยากให้จิตรู้จักอารมณ์แล้วก็รู้จักคําว่ากายในสิ่งที่เรียกว่าเกิดเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปคือกายเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ระดับไป เหนะมือนกับว่าสมมุติว่าพิสูจน์ขอทําให้พิสูุนขอโกรดพิสูจน์ขอพิสูจน์อขอเข้าใจในอารมณ์ก็สันติดอดทนในตัวตนแต่ไม่มีอาฆาตถ้ามีอาฆาไปไกลโกรธสักเดียวหายไปแล้วเพราะเราไม่ได้อาฆาตแม้อาฆาหมายความว่าไม่สืบต่อที่จะทําลายหรือโต้ต่อสรุปแค่โกรธ โจทย์ยังเดียวไม่เป็นอันตรายแต่ว่าอาฆาตพยาบาทอันตราเพราะมันจะเปลี่ยนไปแล้ลักษณะจรวงจรวงคิดหาทางทํำลายคิดหาทางประทุษร้ายจึงเรียกว่าอาฆาตพยาบาทจรวงเพราะว่าโจทย์เป็นต้นเหตุที่จะนํานไปสู่ลักษณะาการขอจรวงแต่เราก็ไม่รู้รางทีเราก็ไม่รู้เท่าทานโจก็เลยโต้ต อ, อบขึ้นเลย แล้วก็เลยมันเสียหายไปถึงคําว่าต้องคล้องกรรมกับพิสุตต้องค้องครรมกับญาติโยมอะไรเงี้ยหรือญาติโยมมาคล้องกรมกันอะไรกันเพราะว่าไม่รู้เท่าทันถึงลักษณะสัญติคือการสืดต่อของอาฆาตพยาบาทโกดันวิลคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่อาฆาตพยาบาทนี่มันเป็นตัวเสริมทําให้จิตเราเข้มข้นหรือว่าขุ่นัวมากขึ้น เนยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้เรามีการศึกษาแล้วก็คุ้นค้ากันให้รู้เฉพาะตนเหมือนจิตของเราเนี่ยอยากให้รู้ในส่วนของเป็นของตนไม่จะไม่อยากให้ไปมีส่วนที่ไปรู้เรื่องของอื่นอยากให้รู้กายของตนล่าเกิดอย่งไงอารมณ์ของตนเกิดอย่งไงและมันไปถึงไหนมันไปหยุดอย่างไง มันเป็นทุกข์เป็นสุขยังไงอะไรประเภทแบบนี้เราก็อยากให้จิตที่ที่เรียก ว, ว่า ท, ที่พิจารณาเนี่ยสร้างความเข้าใจกับคําสอนของพุทธองค์จิตเป็นผู้รับคําสอนคําสอนใจว่าแปลว่าแปลว่าให้คือสอนให้รู้ใครสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เราไม่ใช่มากัดจะรู้คือมาคิดเองรู้เอง ทุกอย่างเกิดขึ้นจากคาสอนให้เราคือให้จิตเราแต่นี้มาอยู่ตรงที่เราจจิตเราจะรับหรือไม่รับรับความรู้ที่พระเจ้ากันให้หรือไม่หรือหรือไม่หรับถ้ารับก็จะรู้ถ้าไม่รับมันก็ไม่รู้ให้นั่งเป็นหุ่นไปกันเนี้ยกระทั่งโน่นแหละเขายกขึ้นเชิงตะกอนมันก็ไม่รู้หรอกถ้าเราไม่รับ ความความนึกคิดของเราเนี่ยมันเป็ น, น, ปนความนึกคิดที่ดังเดิมก็คือความรักความสนใจในรูปในอารมณ์นะทุก ท, ท, ทุกคนคงไม่ปฏิเสธเลยว่าจิตของเรามาจากควาว่าหลงลูกพอใจในอารมณ์เหมือนเราจะด่าใครเนี่ยแหมได้ด่าไปแล้วแบพอใจเป็นสุขแล้วควรได้ด่าเขาขณะที่คิดจะด่ายังไม่สุกหมายว่าได้ด่าแล้วสุกจัง นี่คือความพอใจแหลกเเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ที่เราพลังศึกษาื่วงกันอยู่ก็คือแนวทางของรมหยุดพ้นจับตนให้เป็นธรรมสิ่งที่จะไม่ให้เราเป็นธรรมก็คือเรื่องเรื่องของภาพมายาแห่งความยึดถือคือกายและอารมณ์ที่มาเป็นตัวเสริมทำให้ยึดถือเรื่องของกายจึงก็เรียกว่า สังขารกับสังคตต์แต่อาจจะพูดสังคตตอาจจะยังไม่เข้าใจพูดอารมณ์ดีกว่าอารมณ์ภายในเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเราตามตัวของสังขารที่อาศัยถ้าเราไม่ตัดข้างนอกมันก็เหมือนว่าไม่ตัดข้างในคือไม่รู้ข้างนอกเหมือนก็ไม่รู้ข้างในไม่รู้ข้างในเหมือนไม่รู้ข้างนอกอะไรประเภทแต่ถ้ารู้เรารู้นอกเขาเรียกว่าเขาสามารถจะรู้ในอย่างที่ พระอริเจ้าท่านบอกว่ า, ารู้จริงก็คือต้องรู้นอกละ ร, รู้นารู้ข้างนอกข้างในไม่จริงคือยังเห็นไม่ได้ก็ไม่สามารถจะตัดสินได้ว่ารู้จริงเป็นเหมือนอย่างที่บรรยายกันทัเรื่องกรรมตัวกระทำกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ทำให้เกิดเป็นพบเป็นชาติ ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เทวะอินธม์ไม่เกิดเป็นสาตร์ุขอะไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องบรรยายในลักษณะผลผลของการสะสมในความที่ในสิ่งที่ดีกับไม่ดีคือเคยพูดไว้หลายครั้งว่าอารมณ์ดีก็สามารถขี่ปรองได้เสือเสือเพราะว่าอารมณ์ดีเนี่ยมักจะมีความเมตตาและก็อ่ อ, อนโยง แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันจะมาในฝ่ายผัดแย้แล้วก็แข็งกร้าวมันก็จะทำให้ในการเห็นแก่ตัวเรียกว่าเรียกว่ายึดถือตัวตนมันก็จะไปผลักพันแนวในลักษณะที่เรียกว่าดีกับไม่ดีในเรื่องของของกระแสสิตธิที่จะไหลไหลไหลรงไปสู่ลักษณะของวัต คือถ้าวัดไม่ดีมันก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะแข็งกร้าจะดื้อรั้นเห็นแก่ตัวชิงชังโกรธโต้ตอบในสิ่งที่เป็นนิชานิถิแต่ถ้าถ้ามาทั้งฝ่ายดีก็จะอ่อนน้อมอ่อนโยนเชื่อฟังปฏิบัติตามอะไรกระเภทอย่างน แล้วแต่วแล้วแต่ว่าจิตเราจะตกวักไหนอย่างที่ว่าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยบางทีก็เ ค, เคยเห็นนั่งไปไหนเนี่ยลุกขึ้นพวดเลยสลับสลับเสือปุ๊บปกติเลยอยากจะทราบว่าอะไรทําให้เราลุกขึ้นแล้วก็ค้าเสือกลับไปก่อนเขาถ้าถามว่าตรง น, นั้นต่อต้านไหยเนี่ยต่อต้านจิตของตัวเองหรือเปล่าแน่นอน ทิฏฐิเห็นความเห็นผิดต่อต้านจิตในลักษณะที่เกิดได้ดีเขาปฏิติยินดีในการนั่งแต่ทําไมเราถึงไม่นั่งเราจึงทำไมไม่อยู่เราทาไมจึ ง, ง, งแข็งกระด้างแข็งกร้าวเพราะสังกัตตาหรืออารมณ์ทีาไหนนั่นเองทําให้เป็นเช่นนี้ปัญญาไม่รู้เท่าทางทําให้เกิดเป็นการต่อต้านคือต่อต้านความดีของตนเองไม่เคยต่อต้านสถานที่หรือต่อต้านพระพุทธองค์ ต่อสร้างความดีของตนเองซึ่งจะซึ่นจะได้ดีแต่ไม่ได้อะไรประเภทอย่างนี้ <c oughs> พฤติกรรมของอารมณ์พูดถึงอารมณ์อารมณ์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะทินชากับเรื่องการพูดเรื่องการบรรยาอารมณ์แต่อารมณ์นี่มีพิษมาก <c oughs> พิษของมันนี่เรียกว่า <c oughs> อะไรไม่มีพิษอะไรจะมาล้ า, ายเท่ากับพิษของอารมณ์ ทำได้ทุกอย่างในสิ่งที่ที่อารมณ์มันวงการในลักษณะที่เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นถูกขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพิธิทำเข้าไปเกิดเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะกลายเป็นคุณเป็นหมดเป็นประโยชน์ไปหมดถ้าเรียกว่าอารมณ์นะมันให้โทษ แต่ทำนะให้ขุ่แต่ทำไมเรามาคิดถึงตัวเราว่าทำไมเราจึงเห็นเห็นอารมณ์เป็นขุ่นและก็เห็นธรรมเป็นโกรดัางนี้ต้องใส่สวนตัวเราเองแล้วเพราะว่าโกรดโจย์ก็คือโกย์ก็คืออารมณ์จิดก็คือจาเลย จำเลยต้องซักข้อโจกกล่าวหาอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะอะไรจะเอาเหตุขอาผลอะไรจะเอาคุมเอาโทษอะไรเราในฐานนะจำเลยต้องต้องซักข้อโจกโจกเขาจับผิดอย่างเดียวเขาจะเอาเราเข้าคุกเข้าตารางอย่างเดียวเราในฐานนะหน้าที่ศาลเขาให้อิสระในการซัดข้อก็ต้องซักอิสระเหมือนตอนนี้เขาให้จิตเรามีวิถีทางการซักข้อ สิ่งต่างๆที่เราตกเป็นจําเลยมาตลอดเส้นตกเป็นจําเลยของกายตกเป็นจําเลยของอารมณ์ตกเป็นจําเลยของวาจาตกเป็นจําเลยของกายของเพื่อนบ้านล้านถิงของเพื่อเกิดเพื่อนตายของสมบัติพระสถานราบยศโลกธรรมแปดโอ้ยเนี่ยตกเป็นจํำเลยเทั้งหมดเลยไปถึงขนาดตกจํำเลยไปถึงภพถึงชาติทําไมฉันเป็นมัวเป็นควายทาไมฉันเป็นหมูเป็นหมา ทำไมฉันเป็นจรงจบตุ๊กแกทำไมฉันเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เหมือนเขาตาบอดผูมัวแข้งขาพิการแล้นนคนนั้นทำไมลูกหลังเีคนนี้